เคยมีอุปการะแก่ตัวเป็นกรรมกับแต่ไอ้ชดใช้เขาเนี่ยไม่ได้ชดใช้เพื่อจใจเขาเป็นจระเข้ไปเที่ยวกัดใครก็ใช้กรรมก็เท่าก็ได้ใช้ไปแล้วแต่เขาจะไปชั่วนั่นน่ะมันเป็นเรื่องกิเลสเขาเขาเอาวิบากของเขาที่ได้ทำไว้แกเราไปเสริมวิบากเขาแล้วเอากำลังนั้นไปทำความชั่วนั่นเป็นเรื่องของเราไม่ได้มีเจตนาะที่จะเลี้ยงเขาให้กลายเป็นโจรไปเที่ยววัตุสลายกันอีกและอีกอันหนึ่งที่ทําให้พสมฆนา่าก็คือว่า การที่ได้ช่วยเขาเนี่ยคนนั้นเนี่ยทําให้เขาเนี่ยเมื่อมาอยู่ในภาวะวิกฤตเหมือนอย่างคนนั้นมีคนมาช่วยก็เออนี่มันเป็นกุศลหรือบาปที่ได้ช่วยเขาไว้แต่เป็นห่วงอยู่อย่างเดียวว่าเขาช่วยเราแล้วเนี่ยเราแก้ปัญหาได้แล้วเขาจะไต้องมานั่งเสียใจอย่างเราเสียใจกับคนอื่นกันหรือเปล่าไม่รู้นะก็เลยได้ความคิดว่าเราต้องทําให้เขาเสียใจทํำยังไงอย่าเอาความสําเร็จที่ได้จากเขาไปแกล้งกัดคนอื่น ให้เขาเสียใจก็เลยหักเอามาเป็นดียังไม่ได้คําตอบชัดเจนว่าเขาเสียใจหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้คือเราไม่ได้ไปประตุสลายเขาก็คงจะไม่ทําให้เขาเสียใจแหละไอ้หลักตรงนี้แหละครับถึงว่าทําดีแล้วได้ชั่วทําชั่วแล้วได้ดีตามเงื่อนไขเขาเหตุปัจจัยแต่ละเหตุปัจจัยเนี่ยมันเกิดต่างกันน่ะทําบุญแล้วเสียใจทําดีแล้วได้ชั่วใช่หรือไม่นี่ตั้งปัญหาทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราพักแล้วมาจะเลยกัน ทำชั่วแล้วดีใจสบายใจทำชั่วแล้วได้ดีใช่หรือไม่ไอ้ตรงนี้แหละครับที่เวลาเราวิเคราะห์พุทธวจาว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยแล้ววิเคราะห์แล้วแยกปัจจัยไม่ดูแล้วก็เอาปัจจัยนู่นปัจจัยนี่มาผสมมาเส่กลายเป็นไอเราคิดเองก็เหมือนกันนะชักไม่แน่ใจว่าไอทำไมนะทำดีเอาง่ายๆว่าใส่บาศหน้าบ้านนี้ใส่บาศหน้าบ้านใส่แล้วเสียใจใจท่าหมองก็มีบางคนไนะนะ บางคนใส่แล้วก็ดีใจเออทำไมบางคนทำบุญแล้วกลับบ้านไอ้เพราะไปทำบุญเนี่ยถึงต้องอยากกลับบ้านด้วยข้อหาว่าทำไมถึงบังอาจเอาเงินตั้งเยอะแยะไปผ่อนไปทำบุญโดยไม่ปรึกษาอยาเลยบางคนก็โดนไล่ออกจอาก ง, งานก็เพราะเนี่ยครับพูดแล้วพูดไปดีนี่คนเลิกเลยนะดันทุรังไปว่า ง, งานไม่มีความจําเป็นแนละ้วดันทุรังไปเข้ากรรมาฐานที่ไหนที่ใดที่หนึ่งไม่พูดถึง กลับมาแล้วนายยืน่นรองขาวเลยบอกแกอยากไปปฏิบัติทำไปเลยแกทำงานเนี่ยทำดีจะได้ชั่วใช่ไหมเจอพอมหน่อยได้ไาเจ้าพักกันสักครู่นะเดี๋ยวมาต่อกันอีกช่วงหนึ่งจะต่อเึ่งอา ร, รมณะปัจจัยที่กำลังพูดถึงกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลโดยลำดับประเด็นที่ท่านแยกไว้สือต่อไปในหัวข้อที่สองย่อยนะครับ บุคคลพิจารณากุศลทหลายที่สั่งสมไว้ดีแล้วในการก่อนอันในทีนี้จะกำลังหมายความว่าบุคคลที่ได้สั่งสมกุศลอื่นๆไว้ทุกชนิดที่เป็นกุศลที่ได้ทําแล้วที่เป็นโลกียะกุศลทั่วไปยกเว้นฌานที่ไม่เกี่ยวกับฌานนะฌานเว้นไว้แล้วก็พวกมรรคผลก็เว้นไว้แต่วิปัสนานั้นอยู่ในนี้ด้วย จึงอาจจะสรุปได้ว่าทานก็ดีศีลก็ดีวิสัมมาถะภาวนาในเบื้องต้นก็ดีหรือวิปัสนาภาวนาในเบื้องต้นก็ดีที่บุคคลได้ทําไปแล้วก็มาพิจารณาใช้คําว่าพิจารณาในกุศลที่ได้สั่งสมไปแล้วจิตที่พิจารณานั้นก็เป็นกุศลและสิ่งที่ถูกพิจารณานั้นก็เป็นกุศลทีนี้เวลาที่เรานึกถึงกุศลที่เราได้ทําแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเรานึกถึงจิตหรือนึกถึงอาการกิริยาที่ทํา หรือนึกถึงบุคคลสิ่งที่ถูกเราทําหรือนึกถึงวัตถุที่เราใช้เป็นอุปรกรณ์ในการกระทํา อ, อย่างเวลาจะตายเนี่ยคนละนึกถึงกรรมที่ได้ทําแล้วก็จะแบ่งเป็นนึกถึงตัวกรรมตัวกรรมหมายถึงตัวบุญตัวบาปนึกถึงบุคคลตัวบุคคลที่เรากระทําเช่นฆ่าสัตว์เนี่ยนะฮะถ้านึกถึงว่าจิตที่เราฆ่าเป็นการนึกถึงจิต ถ้านึกถึงสัตว์ที่เราฆ่าหรือโดนเราฆ่านึกถึงรูปธรรมนะฮะนึกถึงเครื่องมือเครื่องมือที่เราใช้ฆ่าสัตเป็นอารมณ์ก็นึกถึงเครื่องมือนึกถึงอุปกรณ์ในการทาบาปแล้วก็อาจจะนึกถึงสถานที่คือ ส, สถานที่ที่เราทำบาปก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องทั้งนั้นถ้าเป็นการทาบุญก็เช่นว่าเราทำบุญใส่บาตรอนึกถึงองค์พระก็เป็นบุคคลผู้ที่เราทำบุญด้วย นึกถึงของใส่บาทคือเครื่องไตยฐานก็นึกถึงไตรยฐานวัตถุที่เราใช้เป็นเครื่องมือทุกอย่างที่อยู่ในความเป็นอาหารการบริโภคที่ถวายพระสถานที่อาจจะเป็นที่วแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยก็คือตัวเราตัวเรานี่ก็มันก็มีทั้งกายมีทั้งร่างรูปร่างหนา้าตามีทั้งผู้ร่วมงานก็หมายความว่าทานที่ทำก็ดีการฆ่าสัตว์ที่เราทาก็ดี เวลานึกถึงเนี่ยมีสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของการกระทำกรรมแต่ละอย่างละอย่างนั้นถามว่าอะไรเป็นตัวหลักเป็นตัวสาระของความเป็นบุญและความเป็นบาปในกรณีต่างๆเหล่านั้นตอบว่าจิตตอบว่าจิตอย่างอื่นที่ถือว่าเมื่อ น, นึกถึงแล้วมันจะทอนเข้ามาหาจิตว่าตอนที่เราทำเนี่ยอาจจะนึกถึงหน้าเหมือนเราไหว้พระพุทธรูปการไหว้พระพุทธรูป ในความหมายที่ควรจะเป็นเนี่ยก็คือเมื่อเห็นพระพุทธรูปเมื่อวหวพระพุทธรูปแล้วใจเราไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่คุณใช่ไหมพระพุทธคุณซึ่งเป็นนามธรรมาเมื่อเราเห็นพระบรมฉายาลักษณ์แล้วใจเราก็พุ่งไปสู่ที่คุณของพระราชาซึ่งเป็นนามธรรมาเพราะฉะนั้นในที่นี้นะท่านมุ่งเอาตัวหลักตัวสาระ อาจจะเกี่ยวข้องกระทบไปถึงอย่างอื่นด้วยก็อนุโลมด้วยแต่สาระนั้นคือกุศลลจิตทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ในนี้จึงมิได้ระบุเป็นตัวบุญกิริยาอย่างๆเอาไว้เป็นที่ชัดเจนว่าละลึกถึงทานละลึกถึงศีลละลึกถึงภาวนาละลึกถึงวยาวัจจะละลึกถึงธรรมสวนระละลึกถึง ทำมเทศนาและลึกถึงสัมมาทิฏฐิและลึกถึงปฏิทานและลึกถึงอนุโมตนาทาน เ, นเพาอันนั้นเป็นกายภาพภายนอกอันนี้เป็นปกนุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่บุคคลลึกถึงนี่ถ้าถามว่าพิจารณาตรงนี้พิจารณาว่าอย่างไรที่ใากับว่าพิจารณาที่ว่าพิจารณ์เนี่ยนะเอยกว่าทานเราได้ทําแล้วแล้วก็ไม่ได้มาพิจารณาหาเหตุผลอะไรก็สงเคราอยู่ในนี้ด้วย มาพิจารณาหาเหตุผลอื่นๆที่เป็นเหตุผลขั้นธรรมดาก็อยู่ในคำว่าพิจารณาด้วยและพิจารณาอย่างเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอจะพิจารณาได้โดยนัยะละเอียดอ่อนแค่ไหนบุคคลนั้นก็ควรพิจารณาและกุศลธรรมที่ทำแล้วถ้าหากว่าบุคคลพิจารณาไม่เลิกคือตามสะกดรอย ไม่เลิกเนี่ยนะะยิ่งนอกจากจะได้บุญเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในชั้นของอ ป, ปราเจตนาแล้วยังจะได้ปัญญาคือเกิดกรรมสกตาปัญญาชัดเจนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปโดยลําดับด้วยอันนี้เป็นของที่ดีพิเศษมากสําหรับการพิจารณาถึงกุศลที่ได้ทําแล้วอันนี้เราเราพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ว่าความดีที่เราได้ทําแล้วจนถึงขณะนี้ เราเข้าใจมันมากกว่าเก่าจริงใช่ไหมเข้าใจมันชัดเจนมากกว่าเก่าในแง่ของกรรมหรือในแง่ของการว่าวางใจหรือทําใจตั้งมัติการกับกุศลกรรมเหล่านั้นว่าเราควรจะวางใจอย่างไรเราก็าฉลาดแยบยนมากขึ้นเราก็าจะได้ประโยชน์และจิตเราก็าพุ่งสูงขึ้นไปด้วยนี่เป็นเป็นข้อที่สองที่พูดอย่างคว้างกว้างเกินเลยข้อที่หนึ่งเพื่อปิดช่องโหว่ในส่วนที่เหลือ ตอนจริงแฝงอยู่ในเจตสิกอะไรต่อะไรเราเห็นว่าอย่างกุศลจิตแปดในชั้นแรกมีเจตสิกร้สิบหกพอมาในชั้นหลังมีเจตสิกกลายเป็นสามสิบแปดเนี่ยอันนี้ถ้าคนจะเรียนลึกและถามว่าเขาไม่ได้พิมพ์ผิดหรอครับเขาพิมพ์ในขอบเขตที่กว้างกว่าถามว่าสามเพิ่มอะไรเข้ามาตอบว่าเพิ่มวิรติสามวิรติสามคืออสัมมาวจามะกา ม, มากิมตาสัมมาจีวาเป็นกรมีพิเศษขึ้นมาอันนี้นก็ เป็นเป็นเรื่องของการเพิ่มเจตสิกแต่ว่าตัวพิจารณาเนี่ยยังเท่าเดิมทุกอย่างอนนี้มาดูกรณีที่สามบุคคลออกจากฌานพิจารณาฌานอันนี้ก็เป็นธรรมดาว่าคนเมื่อเข้าฌานจิตเป็นมหัศะะจริตเป็นฌานะจิตแต่เมื่อออกจากฌานแล้วจิตเป็นกมามจิตคือคนได้ฌา น, นไม่ใช่ว่าจะเกิดฌานจิตตลอดเวลาอัานี้เมื่อออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานนั้น ถามว่ากามาจิตอะไรเป็นตัวเข้าไปพิจารณาฌานและพิจารณาว่าอย่างไรตอบว่ามหากรุสุนแปดดวงเลยทีเดียวเป็นตัวเข้าไปพิจารณานี่หมายถึงกรณีของผู้เข้าฌานออกแล้วพิจารณาที่เรียกว่าปัจเจเวกขณะวิถีไงะคนเข้าฌานแล้วออกมาก็จะพิจารณาย้อนกลับเหมือนคนเพิ่งเตินจากฝันว่าตอนเข้าฌานมีสภาพเป็นอย่างไร ไอ้ตรงนี้แหะครับบางครั้งอาจเป็นอกุศลได้แต่อยู่ในกรณีอื่นตรงนี้เป็นกรณีที่เป็นปัจจเวกปกติถ้าถามว่าพิจารณาว่าอย่างไรตอบพิจารณาองค์ฌานที่เราเคยได้ยินนะคือในขณะข้าวฌานเนี่ยฌานมันทํางานมันไม่สามารถที่จะดูตัวเองได้แต่ว่าเป็นความรู้สึกปรากฏเหมือนเราเรามีความสุขอยู่เนี่ยความสุขนั่นก็เป็นเป็นความรู้สึกที่ปรากฏ แต่เราจะศึกษาตัวความสุขนั้นให้ชัดเนี่ยต้องใช้จิตอื่นเข้ามาเป็นตัวกำหนดว่าความสุขนั้นเป็นอย่างไรคนเข้าฌานไม่รู้จักฌานในเชิงวิเคราะห์ฌานในจิตเนี่ยไม่รู้จักตัวเองในเชิงวิเคราะห์แต่รู้จักตัวเองในเชิงประสบการณ์เข้าใจไหมประสบการณ์หมายถึงจิ้มเหมือนกับเราเอานิ้วจุ่มลงไปในน้าร้อนเนี่ยหรือถ้าจะเทียบวิธีก็เหมือน คนหนึ่งป่วยเป็นโรคโรคหนึ่งได้รับความทุกข์ทรมานมากแต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรคนั้นเลยต่อมาก็มาค่อยๆสังเกตวัยโรคนั้นมันเป็นอย่างไรเพราะอะไรยังไงอะไรเป็นตับปะะัญาอะไรเป็นอัตตาปะะัญญและศึกษาเพื่อมาทั้งลึกเข้าไปถึงวิชาเกี่ยวกับโรคนั้นอย่างแตกตานนะอะกรณีของคนคนนี้มันจะมีอยู่สองช่วงช่วงแรกคือช่วงที่เขาเป็นประสบการณ์ เหมือนคนเข้าฌานเขาจะไม่มีความคิดในทางวิเคราะห์แต่มีประสบการณ์ชัดๆตอบมันก็เอามาเถียงกันนะซึ่งพุทธศาสนาเราให้ค่า2ออย่างแต่ไอาทางโลกเนี่ยบางทีงเขามานั่งเถียงกันว่าคนปฏิบัติธรรมะกับคนเรียนธรรมะอันนี้เป็นกรณีใกล้ๆท่านนั่นนะคนไหนจะเข้าใจธรรมะมากกว่ากันข้างหนึ่งเขาปฏิเสธการเรียนเขาก็บอก ประสบการณ์เ้าอธิบายได้ดีทสุดอีกข้างหนึ่งเขาเป็นคนเรียนเขาก็บอกเขาตอบอย่างนี้ดีแล้วก็คนนั้นเขาก็หยุดไปผมได้ยินเขาเถียงกันอคนที่เขาให้เหตุผลดีก็บอกว่าถ้าคนปฏิบัตินั้นมาเรียนด้วยจะเข้าใจประสบการณ์ของตัวเองดีขึ้นแน่นอนอย่าเอาไปเทียบกันเป็นข้างๆเป็นส่วนๆและการพิจารณาใดก็ไม่ มาที่ไม่ได้ประสบการณ์ชัดๆกับตัวเองก็เป็นการพิจารณาที่ไม่สมบูรณ์ขาดข้อมูลที่ดีพอไม่รู้จะเอาอะไรมาพิจารณานั้นธรรมะถึงต้องมี2องอย่างคนบรรลุมรรคผลแล้วต้องมีปัจเจเวคนทาฌานแล้วต้องมีปัจเจเวคนฟังธรรมะแล้วมีคำสอนเลยต้องมีการทบทวนทมที่ตัวเองได้ยินได้ฟังแล้วอยู่บ่อย ใช่ครับพิจารณาทำที่ได้ยินได้ฟังแล้วบ่อยๆ อ, อันนี้เป็นการทําอย่างสมบูบางคนเนี่ยเราก็พูดได้ว่ามีลักษณะอย่างนี้เป็นปกติพูดอะไรแล้วทําอะไรแล้วเนี่ยจะต้องนึกทบทวนแล้วก็ดีใจเสียใจตามหลังอย่างทันท่วงทีาที่นั่งๆอยู่นี่ก็อาจจะเป็นอะไรคนแต่บางคนเนี่ยไม่ทิ้งเลยทําอะไรแล้วพูแล้วทิ้งเลย ก็ไม่มานึกดีใจเสียใจในเชิงการวิเคราะห์วิจารณ์เพราะฉะนั้นกระบวนการการอย่างรู้ในทางพรทธศาสนาการทําความดีต้องมีอภารเจตนาจันดายการได้ฌานการทาําฌานก็มีการพิจารณาที่ในการพิจารณาเนี่ยถ้าเป็นคตินอกศาสนาแล้วเขาพิจารณาในสายเดีย ว, พ, ยย ว, วพิจารณาในสายเดียวหมายความว่าพิจารณาในสายที่ไม่ก้าวเลยมาถึงวิปัสสนา และมักพิจารณาอยู่บนฐานของทฤษฎีรองรับที่ไม่สอดคล้องกับวิปัสนาผู้อย่างนี้ท่านคงนึกได้วิปัสนาเนี่ยเพิ่มการพิจารณาเข้าไปอย่างหนึ่งเพิ่มปัจจเวกเข้าไปให้อย่างหนึ่งคือพิจารณาอย่างเป็นอะไรครับวิปัสนาไอ้ตรงนี้แหละครับที่ทําให้คนที่ออกจากฌานแล้วในวาระต่อไปที่พูดถึงกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลเนี่ยนะ ราคาย่อมเกิดขึ้นทิฏฐิย่อมเกิดขึ้นวิจิการย่อมเกิดขึ้นอุตตจั ย, ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ที่เข้าฌานอันออกแล้วคือเข้าฌานออกแล้วพิจารณากิเลสเวยเวยเอาไปเป็นอารมณ์เวยเอาไปเป็นประโยชน์ของกิเลสที่เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอันหนึ่งและถ้าหาว่ากิเลสนั้นเนี่ยมันมาจากพื้นฐานสัตตตาทิฏฐิก็จะไปคิดอย่างสัตตะตาทิฏฐินะถ้าคนนั้นมี พื้นฐานทางวิปัสนาได้ยินได้ฟังเรื่องอันตรจรังทุกขังนัตตาไม่มีอะไรเป็นตัวตนพอเข้าฌานออกแล้วจะอดพิจารณาอย่างนี้ไม่ได้และถ้าเป็นพระอริยะอย่างพระอ า, ารามสโตดาบันเนี่ยจะพิจารณาอย่างนี้ตลบหลังทันทีเลยคือเข้าอย่างที่เราได้ยินว่าเข้าฌานเป็นบาตร ท, ทางวิปัสนาก็คืออย่างนี้เข้าฌานเพื่อดูว่าฌานไม่เที่ยงเข้าฌานเพื่อละความผูกยึดติด พิสมัยในฉากของเรามีตรงนี้แต่ว่าของนอกศาสนาไม่มีอย่างนี้หรือของคนในศาสนาที่ยังไม่ถึงจุดนี้ก็ไม่มีการพิจารณาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะพูดกันในส่วนของสนศลธรตุทันวันนี้ตรงนี้จึงพูดแต่ในส่วนของพิจารณาฌานด้วยกุศลรจิตธรรมดาเป็นปัจเป็นฌานปัจเจเวกว่าฌานที่เราเข้าแล้วเนี่ย ประกอบด้วยองค์คุณอย่างไรมีความสุขทราบซึ้งอย่างไรตอนพิจารณาตอนนั้นฌานไม่ปรากฏเพราะออกจากฌานแล้วใช่ไหมฮะแต่ยังจําฌานได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้จะดีในทางวิเคราะห์แต่จําไว้ยังไงขณะเข้าฌานดีในทางประสบการณ์ทีนี้ไอ้ตรงวิเคราะห์วิเคราะห์เนี่ยครับเนื่องจากว่ามหากุศลแม้เป็นญาณสัมปยุทธวิเคราะห์ด้วยมหากรุสนยาณสัมปยุทธก็มีกําลังไม่เท่ากัน คำต่างจึงอยู่ที่ตรงนี้จึงว่าคนเข้าฌานพอมาวิเคราะห์ฌานด้วยปัจจเวกแล้วเข้าถึงนี่ยังไม่พูดถึงวิปัสสนานะมันไม่ต้องพูดถึงท่านวิปัสนาประเมินค่าของฌานไม่เท่ากันไม่เท่ากันมันเหมือนกับเราฟังธรรมะหรือประสบการณ์อะไรก็ตามเราจะวิเคราะห์ประสบการณ์ตีความประสบการณ์ของเราที่ตาเราเห็นด้วยกันเนี่ยไม่เท่ากัน อ่านหนังสือเล่มเดียวกันก็ไม่เท่ากันมีบางคนเท่านั้นที่ใกล้เคียงกันมากแล้วก็มีบางคนกับบางคนเท่านั้นที่เขาใกล้เคียงกันถ้าถามว่าอะไรเป็นตัวแปรเนี่ยท่านก็จะนึกอย่างเข้าคร้าวได้เองมาถึงประเด็นที่สี่พระเสขาบุคคลพิจารณาโกตะระภูวทาน อ, อตรงนี้ไปเกี่ยวกับโสรษายานติภพในโสรสายานติภ พ, นาานพเนี่ยในวิถีจิตเวลาคนจะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะมันจะมีไอ้ตัว ตัวเปิดประตูนิพานยานเปิดประตูนิพานคือโคตรตระภูยานจะเรียกว่าเปิดประตูนิพานก็ด้วยเรียกว <IL> ่าเปิดประตูความเป็นอริยะก็ด้วยแล้วก็เรียกว่าปิดประตูสังขารารมคืออารมณ์ได้แก่ปัจไตรลักษณามรูปก็ด้วยปิดประตูความเป็นปุถุชนก็ด้วยคือโคตรตะระผูยานที่โคตรตะระูยานเนี่ยเขาเรียกเป็นสองชื่อ สองชื่อก็คือว่าเมื่อโคตรภูญานเปิดประตูให้กับพระโสดาให้เป็นพระโสดาเรียกโคตรภูแต่เมื่อพระโสดาปฏิบัติเพื่อบรรลุเป็นพระสกิทาคาพระสกิทาคาปฏิบัติเพื่อเป็นพระอนาคาเรียกว่าโวธานรวมไปถึงพระล้านด้วยนะแต่ในที่นี้เขายังไม่พูดถึงพระล้านเพราะว่าพระล้านนั้นสิ้นกุศลธรรมแล้วก็เลยมาจังนักแค่แค อนาคตโวทานแปลว่าอะไรแปลว่าบริสุทธิ์แปลว่าบริสุทธิ์คือบริสุทธิ์แลว้วบริสุทธิ์ตรงนี้หมายถึงบริสุทธิ์จากความเป็นปุตุชนแล้วพอเป็นโสดาบันก็ไม่ไม่ได้ทําหน้าที่โอนโคทําหน้าที่ยกระดับของความบริสุทธิ์เพิ่มความบริสุทธิ์ของความเป็นพระริยะให้สูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวเองบริสุทธิ์จากกิเลสไปโดยลาดับด้วยฉันจะเลือกโวทาน ก็อันเดียวกันนะครับอันเดียวกันโดยความเป็นโคตรภูยานเวลาเรียกยานถ้าเรียกโคตรภูยานเป็นยืนพื้นไว้แต่ในมหาประานในพระไตรปิฎกจะเรียกโคตรภูเฉพาะปุตชนไปสู่โสดาที่เหลือนอก น, นั้นก็เรียกเป็นโวทานหมดที่นี่ที่อเป็นข้อที่เราพิจารณาเห็นว่าตัวโคตรภูยานเนี่ยองคธรรมคือมหากุศลญาณสัมปยุตเท่านั้นนะไป็นอื่นไม่ได้ถ้าเป็นวิปัสสนาญาณชั้นต่ําชั้นต้น ใหม่ๆเป็นมหากุณญาณวิปยุทธ์แต่หลังๆพอชำนาญเข้าแล้วก็เป็นมหากุณญาณนวิปยุทธ์ก็ได้คือชำนาญด้วยความคล่องตัวและถึงขนาดล้ายไปยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นอาคุศลก็ได้เรี่กเขาเรียกว่าอาคุณเข้าแทรกนะโลกจิยกุศณกุณเข้าแทรกฟังดูปแปลกไหมละ่ะว่าเห็นความเกิดดับอยู่ด้วยตัณหารากะไม่ใช่ทีแรกนะมันเห็นตามไอเราจำธรรมชาติเกเรตไว้อย่างนึงว่ามันคอย ขาช่องกินเศษกินเลยและนี่คือวิธีการทำลายของมันกุศลเราสูงนำ เราไปทางไหนกิเลสมันเลื่อนตามหาช่องทําลายตามไปโดยลําดับก<ฮ>ีเลตเราเนี่ยมันเหมือนกับคู่แข่งทางผลประโยชน์อย่างเราอย่างเงี้ยพยายามมาแค่ไม่สนไม่สนจะมาเบียดเบียนหรอกเพราะว่า <laughs> เราไม่อยู่ในฐานะที่เป็นคู่แข่งทางผลประโยชน์ใช่ไหมรัฐมนตรีคนไหนก็ไม่เกลียดเราทุกคนเพราะเราเราไม่ได้ไปเล่นการเมืองไปแย่งจิงผลประโยชน์อะไรกรับใครเขาเนี่ถ้าสมมุติว่าเราไปทํางานเลื่อนระดับขึ้นไปเลยเราจะมีคู่แข่งที่สูงขึ้นไปขึ้นไปตามลําดับนกิเลตเนี่ยมันเหมือนกันอย่างนี้อย่าได้นึกว่าเราพ้นจากกิ กิเลสขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยจะพ้นจากอุปสรรคจากกิเลสแล้วเราจะถูกทําลายตรงจุดใดจุดหนึ่งได้ตลอดเวลาให้จําไว้อย่างนี้แล้วก็เลิกพูดเดีๆว่าทําไมคนนี้เข้าวัดทําไมคนนี้ทําบุญอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้ทําไมคนนี้สอนกรรมฐานแล้วถึงเป็นอย่างนี้อย่าเลิกพูดเพราะตรงนี้แหละครับเราจับหลักตรงนี้ได้แล้วก็รู้เลยว่านี่คือจุดเครี่องพลั้มของแต่ละคนแต่ละคนปัญหา ที่เราจะแก้ไขอันเกิดมาจากกิเลสจึงไม่หยุดจะหยุดได้เมื่อไหร่ครับเรียกว่าถ้าจะเอาหยุดกันอย่างเร็วที่สุดต้องเป็นโสดาบันโสดาบันเนกิเลสทําลายเราไม่ถึงก็ททาให้เราตีกลับเพียงแค่อยู่กับที่แล้วก็อยู่กับที่แบบไม่ถาวรเพราะว่ากิเลสมันไม่อาจที่จะทนกับความอึดของกุศลขั้นโซดาได้มันมาเกาะมาติดเลยสุดระถูก ร่นทำลายยังไงยังไงโสดาขี่เกียรเห็นแก่หลับแก่แกนอนชอบการงานพูดคุยขนาดไหนก็ไม่เกินเจ็ดจา้าดอย่างที่ร้ว่าตั่วไปนะไอ้กีเลนมันจับนา น, นะข้ามันก็เซ็งนี้นี่คล้ายๆวายเหล็กนี่สนิมเบื่อเลยเกาะอาไหรกินอะไหรไม่ก่อนบ้างดีเลยสนิมกลอนไปเองนี่คล้ า, ลายๆ อ, อ, อ, อ, อย่างนั้นแต่ถ้าลองเป็นผูุ้ชนแล้วก็ต่อให้ได้ถึงวิปัสนาญาณที่ชื่อว่าสังขารุปเปขายาน ก็ตีกลับดะตีกลับถึงขนาดพบชาติต่อไปต่อต่ อ, ตอไปขนาเนี่ยลงนรกยังได้เลยครับไม่ใช่ว่าลงไม่ได้เพราะนั้นไว้ใจไม่ได้จริงๆนะเนี้ยพูดอย่างนี้บางคนฟังแล้วก็บ๋อบอโหธรรมาจนบ่านนี้ยังยังไม่รับรองอีกละนี่แต่บางคนฟังอย่างนี้แล้วไม่ประมาทกลัว ขอให้เราเห็นใครตะใครที่ประ ม, มาทให้เราเห็นผิดพลาดที่เราเห็นเนี่ยให้เป็นครูให้เรากลัวและให้เกิดกำลังใจให้ได้เนี่ยคือการเข้าเข้าเข้ามาเกี่ยวข้องทำลายเนี่ยผมก็พูดไปถึงอกุศลได้ด้วยตรงนี้เป็นเรื่องของกุศลที่พระเสขบุคคลเสขบุคคลคือพระโสดาตกะ า, ากาและอนาคาระลึกถึงยานพิเศษตัวนี้ของท่าน เรียกว่าพิจารณาและเอาไปทำพิจารณาพิจารณาเฉยๆเพื่อเป็นผาสุขเป็นความอิ่มใจหรือพิจารณาเพื่อเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาก็ได้อีกเหมือนกันแล้วในข้อที่หกต่อไปยังกล่าวว่าข้อห้าละเสขาบุคคลออกจากมรรคพิจารณามรรคอันนี้ก็หมายถึงมรรคเบื้องต่ําเ อ, อตรงนี้เป็นปัจจเวกขณะยานในยานริพกนะ ถ้าเข้าฌานออกฌานก็เป็นปจัจจเวการไม่ได้อยู่ในยานติปกเป็นเรื่องของกองสมถะแต่ตรงนี้เป็นเรื่องของวิปัสนาที่ทําเจอทั้งบรรลุมรรคผลแล้วปจัจจเวกขณะยานก็จะพินาสําหรับมร์เนี่ยมันมีข้อจํากัดพิเศษในทางประโยชน์อันหนึ่งก็คือ บ, คบุคคลเมื่อบรรลุมร์แล้วนึกถึงมร์ทีไรไม่เกิดอาคุศน ล, ลจิตในเพราะมร์นั้น ถ้าถามว่าเพราะอะไรเข้าใจไหมที่ถามเรานึกถึงกุศลของเราเนี่ยนึกถึงแล้วเกิดอกุศลก็ได้กุศลก็ได้ถามว่าเรานึกถึงพระพุทธรูปในจิตเห็นพระพุทลรูปในจิตเป็นอกุศลได้ไหมเห็นองค์พระพุทธเจ้าทางกายเนื้อแล้วเกิดจิตเป็นอกุศลได้ไหมได้ได้เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นเพียงรูปธรรมถ้าใครมองแทงเข้าไปถึงมรรคผลของท่านเกิดอกุศลไม่ได้ ก็ะอะไรเพราะมักอันนี้ก็ว่ามักผลเนี่ยเป็นของบริสุทธิ์สะอาดมากจนกระทั่งกิเลสจับไม่ติดเหมือนพระชวีของพระพุทธเจ้าที่กล่าวในมหาบริสัทลักษณะว่าละเอียดมากจนกิเลสฝุ่นละอองจับแล้วก็ไม่ติดอ่ะเรียกว่ า, มาแมลงวันจับโปรคอมินตำนองนั้นตำนวนที่โก้พูดกันเอ อ, อคุณชาติของมักเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น ระเสขาแม้ว่าท่านยังจะมีโลภะอยู่แม่ท่านจะมีโทสะอยู่แม่ท่านจะมีความพูกพานอยู่แต่เมื่อ น, นึกถึงมรรคของท่านทีไรกิเลส ท, ที่กาลังเกิดอยู่หยุดทันทีนี่เขาเรียกว่ามีของดีอยู่กับตัวมีเครื่องดับกิเลสอยู่กับตัวนึกถึงสิ่งนี้ทีไรแล้วก็กิเลสอยู่ทันทีไอ้ของเราก็มันเอาแน่ไม่ค่ได้มึงทีเรานั่งรถ ตัวตัวบงังนั่งรถแท็กซีบ่บังตามหน้ารถก็มีรูปพระนั่งยองๆเยอะจังเยอะขึ้นอะไรนี่ท่านหลวงพ่อคูณแล้วมีลูกพระแก้วมรกรและสารพัดนี้ก็วางแล้วเราก็มองแล้วก็อนุโมทนาแล้วก็มีความรู้สึกเชื่อได้เลยว่าใครที่ติดรูปพระไว้ที่หน้ารถเนี่ยช่วยทางจิตใจได้มากและเวลาถ้าใครจะไปทะเลาะกับใครก็พยายามชี้ให้ดูพระเอาไว้นะมองเอานี่นับถูลงมบคูณเหมือนกันเหรอ เดี๋ยวก็เขา ย, ยังชั่วนะถ้าพูดอย่างนี้บอกผมก็นะหลวงพ่อคูณเหมือนกันเรามาคุยอะไรกันถ้าคุยก็ไม่รู้ไปหาหลวงพ่อคูณในนันตัดสินไดอก็เรียกนับตือปลาองค์เดียวกันเราะนนั้อันนี้ก็จะเป็นจุดเย็นแต่พูดอย่างนี้รู้เรื่องหมดหรือเปล่ายอมหมดไหมไม่พอโมโหขึ้นมาแล้วหลวงพ่อคูณก็หลวงพ่อคูณนั่นนะไนะม่อย่างนั้นทางใต้เขาก็ไม่รู้ว่าม่วงหมดเลยนะอาจจะมีคนแอบแอบโกรธท่านบ้างก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นโลกีธรรมเนี่ย อกุศนแซกได้ถ้าเป็นโล ก, กุตละและแซรกไม่ได้ถ้าจะให้ถามเรากันเองว่าในบัดนี้เนี่ยในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมคือหัวใจของท่านแวดล้อมด้วยคุณธรรมบุญน้ำดต่างๆท่านมีคุณธรรมอะไรเป็นจุดเย็นอยู่ในหัวใจทัานบ้างหรือเปล่าที่มีอาการเหมือนกับพระอริยะท่านมีมรรคเป็นจุดเย็นอยู่ในหัวใจของท่านมีบ้างไหม เช่นว่าพอเรากลุ้มใจขึ้นมาพอเราท้อแท้ขึ้นมาเราก็มานึกถึงความดีที่เร า, เอาพอใจที่สุดเข้มแข็งที่สุดทราบซึ้งที่สุดนึกถึงแล้วเราเราจะไปถือก็ไม่ได้ในเรื่องนี้พราะเราเป็นอย่างนี้เราจะไปโลภไม่ได้ไม่ควรโลภเราทำไมจึงจะกลุ้มใจเราไม่ควรกลุ้มใจ แล้วก็มานึกหาอะไรบางอย่างที่เป็นจุดที่เราเคารพเหมือนจะพูดเป็นคาแทนอย่างนี้นคือเคารพคุณธรรมของเราเองอยู่ถึงว่ามันจะไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนอย่างมาักแต่ถ้าเราค้นพบว่าเรามีเราก็ควรจะเอามาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นตัวประณีประนอมกิเลสความรู้สึกฝ่ายต่ำในใจของเราเองให้ได้คราวนี้มาว่าถึงข้อหกในข้อหกที่ท่านว่าเสกขบุคคล ปุถุชนก็ตามเห็นแจ้งซึ่งกุศลโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตรงนี้อ่านแล้วเข้าใจว่างไงครับตรงนี้คือวิปัสนาญาณที่บุคคลกําหนดเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในจังตัวอนัตตาตรงนี้ท่านมุงเอาวิปัสนาญาณแต่ว่าจริงๆถ้าพูดถว่า อ, อนุโลม กินตายยานที่พิจารณาในสายวิปัสนาญาณอะไรเนี่ยมันก็โอม โ, ม โ, มโมวิปัสนาอยู่ด้วยแต่ว่าก็ปรับเข้าไปอยู่ในส่วนของศีลของข้อหนึ่งกับข้อสองนะฮะในนี้อมุ่งเอาวิปัสนาญาณแท้ๆตัวนี้ก็มาพูดถึงข้อแท้จริงว่าเวลาคนทำวิปัสนาแล้วก็เกิดวิปัสนาญาณที่สามกับที่สี่ที่สามขึ้นไปโดยลาดับเนี่ยเริ่มแต่อานิจจังสุขงังตตา การเห็นอนิจจังทุกขังหน้าตาเนี่ยถามว่าเห็นอนิจจังทุกขรังหน้าตาของอะไรอะไรผมหมายถึงรูปหรือนามหรือทั้งรูปทั้งนามตอบว่าทั้งรูปทั้งนามบางครั้งก็รูปบางครั้งก็นามไม่ใช่เห็นที่เดียวร้องกันนะและในความเป็นนามที่กําหนดเห็นอนิจจังทุกขังหน้าตานั้นถามว่าเป็นกุศล น, นามหรืออกุศล น, นามหรือทั้งสองอย่าง ตอบว่าทั้งสองอย่างสองอย่างนี่ผมหมายความว่าอารมณ์กรรมฐานที่เราเห็นอณิจังของอะไรที่เราเห็นแต่ตัวเห็นเนี่ยต้องเป็นกุศลเป็นหลักไว้อกุศลจะเข้าแทรกเป็นเรื่องทีหลังในกรณีอย่างนี้ที่ท่านประสงค์เอาตรงนี้หมายเอาว่าเมื่อบุคคลกำหนดวิปัสนาดูไปจับนามของตัวเองเนี่ยคือเวลาทําจริงเขาป่วนเปลี่ยนกันทั้งสองอย่างแหละครับ หลุด ก, กับสารพัดป้วนเปลี่ยนไปปูวนเปลี่ยนมาเหมือนกับแวดล้อมก็รู้สึกเราอยู่ตลอดเวลาเหลือบสติไปทางนามก่อนนามเหลือสติไปทางลูกกับลูกบางทีเราเรามัติการเหลือไปเองบางทีอารมณ์มันก็มามาชักใจชักสติให้ให้ไปน้ำหนักไปทางมันอย่างงี้นะและระหว่างนามกับนามเนี่ยผมถามท่านให้ท่านพิจารณานี่บางเอิญถามเพราะว่า นึกว่าหลายคนมีประสบการณ์ดีคนก็ดีกว่าผมถ้าผิดแกช่วยบอกด้วยคือรล่าวางกุศลกับอกุศลที่ปรากฏเป็นอารมณ์ของสติของเราเนี่ยอะไรมากกว่ากันผมอาจจะถามกว้างท่านจะตอบ อ, อย่างกว้างๆแลไวกันอะไรมากกว่ากันตอบอย่างกว้างที่สุดเนี่ยก็บอกว่าในระยะต้น ต้นหนึ่งก็มีต้นของไรระดับไหนอีกนะเอากว้างๆที่สุดด้วยในระยะต้นอากุศลมากกว่ากุศลน้อยกว่าจริงไม่จริงลองลองดิเข้าไปกรรมฐานหลับตาครั้งแรกวันแรกสอวันแรกสามวันแรกอกุศลระดับหยาบๆอย่างนั้นหลุมเล่าเหลวมากที่สุดเลยง่วงเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลฟุ้งเป็นกุศลไม่เป็นอากุศลศศศอากุศลทั้งนั้น แล้วเราฟุ้งมากกว่าไม่ฟุ้งง่งมากกว่าไม่ง่วงเจ็บปวดโทมนัสเป็นอกุศลหรือกุศลเป็นอกุศลมีมากหรือมีน้อยนี่เราก็กรู้อยู่ก่ใจก็จะเห็นว่าในระยะต้นเนี่ยของขั้นใดขั้นหนึ่งเนี่ยเรากำลังพยายามจะยืนสติอยู่กับแวดล้อมของอกุศลซึ่งมันเป็นเรื่องภาระใหญ่มากและมีบางคนแพ้ บางคนไม่แพ้กว่าขี่หลังเสือมาแล้วลงไม่ได้อาจารย์เขารู้ดีเ็เลยพยายามตีกรอบกำกับมสัญญาแล้วสัญญาอีกก็จะไม่หลอกไปออกระหว่างกลางคันในระหว่างนั้นก็มีการควบคุมกันอย่างดียังยิ่งกับติดตารางอีกมันทรมานใจอย่างบอกไม่ถูกนสำหรับคนที่อยู่ในในระยะระยะนี้นี่คือกิเลส เบื้องต้นของเบื้องต้นแล้วมันมีเบื้องต้นของเบื้องต่อไปมันก็มีเอกิเลตละเอียดเข้ามาป้วนเปี่ยนเยอะยะนี่ว่าถึงโดยทั่วไปและบางระยะก็อาจจะมีกูศลมากนะฮะที่มันชัดจะเริ่มว่ากูศนเนี่ยมันเริ่มเข้ามาตีแปลงขยายขอบเขตการเกิดของมันให้มากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นธรรมดาของการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นอย่างนี้ไปตามลําดับตามลําดับความสงบเย็นก็ขิ้นชัดขึ้น แล้วเมื่อมันตีแปลงใหญ่ขึ้นก็จะมีผลในทางสืบเนื่องลงลึกยิ่งขึ้นเป็นธรรมดาของมันเพราะฉะนั้นคนที่กำหนดจิตเมื่อเป็นกุศลโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยเราพูดได้ว่าใครที่ทำกรรมฐานแล้วสามารถจับกุศลได้เป็นส่วนใหญ่ก็ดีคนนั้นค่อนข้างจะไปสูง ไปสูงเพราะว่าเราลองนึกดูนะว่าจิตของเราเนี่ยใหม่ๆเนี่ยกุศลมันไม่เคยเห็นเลยนะครับไม่รู้มาอยู่ตรงไหนนะแล้วถึงพูดกันว่าทาแล้วไม่เห็นได้อะไรไหนทวมาแม้แต่ได้ความรู้สึกว่าอย่างไรเนี่ยก็หาไม่เจอเลยมีแต่ง่วงมีแต่มึนมีอะไรไม่น่าปรารถนาสักอย่างเดียวมีแต่อกุศลปรากฏพอทามาถึงวิปัสสนาญาณกันสูง ถ้ากุศลมันเกิดมากๆแล้วเนี่ยคือไอ้ความต่อเนื่องของกุศลมันก็ไม่ใช่อีกอะไรคือสติหรแม้จัญญานั่นเองตัวนี้ท่านว่ากุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าเป็นกุศลอะไรที่ถูกกําหนดกุศลกําหนดน่ะมันเป็นตัววิปัสนาแน่แต่กุศลที่ถูกเห็นความเป็นอนิจจังตุกข์ว่างตาเป็นกุศลอะไรทานกุศลสีกุศลตอบว่าภาวนากุศล ทานสีกุศลก็มีได้แต่นั่นถือว่าหยาบครับใครที่เห็นสติของตัวเองที่เกิดขึ้นหลัดหลัดเมื่อกี้อย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังตานั้นดีที่สุดไม่ใช่กุศลอื่นทําไมถึงว่าดีสุดอธิบายได้ไหลายหนึ่งสติเร็วที่สุดแล้วสองจิตแวดล้อมขนาดนั้นเป็นกุศลส่วนมากแล้ว สามบุคคลที่เห็นสติโดยความเป็นจงรงตัวหน้าตามันสกัดกั้นกิเลสชั้นหยาบก่อนหน้านั้นที่ยังละไม่ได้ได้เฉียบขาดแล้วเด็ดขาดกิดแล้วว่าโอแทนที่อสติของเรานี่ประเสริฐแล้วเกินนะประเสริฐแบบกิเลสลำบันสามะชั้นหยาของเรานี่ประเสริฐแล้วเกินหนะ้าความสุขในความมีสติของเรานี่น่ารื่นลมใจแล้วเกินนะ เกิดความกําหนัดด้วยอำนาจตัณหาราคาทิฏฐิทิฏฐิกออ็สติของเรานะอะไรต่างๆเหล่านี้ถูกสลายเป็นการอย่างเห็นอย่างไม่มีความยึดเหนียวแน่นเหมือนอย่างก่อนอีกแล้วนี่ที่ใช้คาว่าเสกขะกับปุติชนเพราะว่าวิปัสนาญาณของพระเสกขะเป็นมหากุสลญาณสัมยุทธ์มหากหมือนกัน วิปัสนาญาณของพระของผูุ้ชนก็เป็นมหากุศลเหมือนกันเราเท่ากับพระเอกาบุคคลตรงที่จิตยังเป็นมหากุศลด้วยกันในขณะที่ได้วิปาาัสนาญาณเพราะอะไรที่ยังเป็นกุศลเพราะว่ายังมีกิเลสยังไม่เป็นกิริยาถัดไปครับข้อทีอ่ผมก่อนที่ไปถึงข้อเจ็ดเนี่ย มีข้อความในวงเล็บบนโลกียากุศลเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่ากุศลที่เป็นอารมณ์ของวิปัสนาตรงนี้นะครับมีสองมหมากุศลที่เป็นวิปัสนาอยู่ที่ว่านั่นก็อันหนึ่งและอีกกรณีหนึ่งคือคนที่เข้าฌานออกจากฌานแล้วก็พิจารณาฌานโดยความเป็นอนิจจังทุกขังนาาัตตาฌานเป็นโลกียะกุศล์ใช่ไหมฌานเก้าหมากุศนลจิตแปดรวมเป็น บเจ็ดบวกเจตสิกเข้าไปอีกส่วนหนึ่งด้วยเจตสิกก็สามสิบแปดตอนนี้มาพูดถึงข้อเจ็ดบุคคลรู้จิตของท่านผู้มีความพร้อมเปลี่ยนด้วยกุศลลจิตด้วยเจโตปริยญาณนี่หมายถึงการรู้จิตของบุคคลอื่น การที่เรารู้จิตของบุคคลอื่นเนี่ยมันก็มีทั้งว่าจิตเราเป็นอกุศลแล้วก็ไปรู้ความคิดคนอื่นนึกถึงความคิดคนอื่นด้วยจิตเป็นอกุศลจิตคนถูกนึกก็อาจจะเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างก็ได้แล้วก็ในกรณีที่หมายเอาที่นี้คือจิตของผู้นึกเนี่ยเป็นกุศลและจิตของผู้ถูกนึกก็เป็นกุศลถ้าจะว่ากันอย่างชัดๆเลยก็เช่นพระพุทธ เ, เจ้าเมื่อทรงสแสดงธรรมตัวนี้ชัดมาก อแต่ว่ามันอาจจะขึลืนตรงที่ว่าพุทธเาจิตท่านไม่เป็นกุศลเอาเอาเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นพระเสขาไปแล้วกันที่เป็นผู้ที่ได้ต้องได้พิญญามีปราจิตด้ยนะฮะมีพระอนอนท์มีพระเดละรูปอื่ น, นที่ยังเป็นปุถุชนแล้วมีปราจิตเป็นปุถุชนก็ได้เป็นพระเสกขาก็ได้ไปนั่งอยู่ในที่ประชุม ปฏิบัติธรรมหรือประชุมแสดงธรรมท่านที่มีเจโตเนี่ยโดยธรรมชาติของท่านท่านจะยึดจิตของที่ประชุมเข้าไว้ในหัวใจท่านหมดนะด้วยอาการอันเป็นเหมือนเวทวิรรทยาศัส์ทันิีแล้วก็รู้ว่าใครเป็นยังไงถ้าเราแทนว่าอย่างกรณีผู้เจ้าเนี่ยมีตัวอย่างเล่าเยอะหน่อยว่าเห็ น, นง่วงรู้ไมว่าง่วงง่วงตาใสก็รู้อย่ามาหลอกเลยพระรู้ ง่วงตาคุณก็รู้แล้วคนที่ทำท่าหลับอย่างนี้นก็ง่วงคนหลับอาจไม่ง่วงก็ได้หลับตาหลับตาฟังท่านดูที่ใจออกเพราะฉะนั้นเมื่อดูที่ใจเนี่ยท่านก็จะรู้ว่าถ้าคนไหนจิตเป็นกุศลท่านเจ ย, ยายามทำให้เป็นกุศลเสก่อนคนไหนจิตเป็นกุศลพร้อมอยู่แล้วท่านก็จะต่อกุศลให้สูงขึ้นไปถึงขั้นบรรลุมรรคผลได้ วันในกรณีอย่างนี้แหละพระเทระใดหรือผู้ใดที่มีเจโตปริยะกําหนดรู้จิตจะเป็นพระผู้ติชนหรือเป็นพระเสกาก็ตามชื่อว่ากําหนดรู้จิตของผู้อื่นด้วยกุศลลจิตของตนจิตของผู้อื่นเป็นกุศลจิตของผู้กําหนดรู้ก็เป็นกุศลกําหนดรู้อย่างรู้อยู่ในขณะนั้นเป็นกุศลและปัญญา แล้วก็ข้อแปดนะฮะข้อแปดกอว่าถึงอากาสารัญจารนากุศลเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจารนากุศลตรงนี้หมายถึงอารูปประชานตัวรูปประชานที่หนึ่งเมื่อบุคคลได้รูปประชานที่หนึ่งแล้วจะทํารูปประชานที่สองเนี่ยจะหน่งเอาอรูปประชานที่หนึ่งมาเป็นอารมณ์แล้วก็ทําำรูปประชานที่สองให้เกิดขึ้นอารูปประชานที่หนึ่งก็เป็นกุศลอากุศลนรูปประชาน อรูปฌานที่สองที่เป็นตัวอบรมให้เกิดก็เป็นอรูปฌานกุศลอีกขั้นหนึ่งที่อาศัยกุศลเบื้องต้นทําแล้วเป็นบาตให้กําหนดแล้วก็ยกระดับฌานฝ่ายอารูปให้สูงขึ้นก็ข้อก้าวนี้ก็ทํานองเดียวกันครับพอได้อรูปฌานที่สามอากินยัญญาตนะเป็นปัจจัยแก่เนวะสัญญานาสัญญาตนะซึ่งเป็นอรูปฌานที่สี่ ก็อาศัยรูปฌานที่สามเป็นตัวกําหนดสร้างสมาธิให้เลื่องขึ้นไปจนกระทั่งรูปฌานที่สี่อันนี้ก็คื อ, อรูปฌานต้นเป็นอารมณะปัจจัยให้แก่อารูปฌานที่สูงขึ้นไปความจริงมันก็ไม่ใช่แค่อารมณะปัจจัยปะกตูปนิสยปัจจัยอะไรก็ด้วยอะครับคือสมาธิต้นหนุนสมาธิหลังให้เกิด แต่กรณีอรมประชานต้นหนุนให้เกิดอรมประชานสูงขึ้นไปเนี่ยเป็นทั้งโดยอรรมณะปัจจัยและอุปปนิติยะปัจจัยสองอย่างและข้อสิบกุศลขันธ์ทั้งหลายที่ท่านใช้คำว่ากุศลขันธ์ก็คือกุศลจิตกุศลเจตสิกนะครับเป็นปัจจัยแก่อิทาวิชาเจโตปิยะบุเพนิวาสานุษิยะธาก ม, มูและอนาคตังสยาน เรือำนาจของอรรถมรณปัจจัยข้อนี้คือเวลาคนระลึกชาติก่อนเนี่ยผมยกตัวอย่างบางอวิยาให้ฟังก็จะก็ใจายอื่นระลึกถึงชาติก่อนว่าชาติก่อนเนี่ยเราเคยเกิดเป็นใครได้ทำอะไรไว้อย่างไรถามว่าการระลึกถึงชาติก่อนในเห็นแต่ภาพ และจับความคิดเก่าของตัวเองไม่ได้หรือจับความคิดเก่าของตัวเองได้ตอบว่าจับความคิดเก่าของตัวเองได้ด้วยเหมือนกับเราระลึกถึงเมื่อตอนที่เราป่วยหนักไปนอนที่โรงพยาบาลเมื่อ20ปีก่อนเราจําได้ไหมว่าระลึกได้ไหมว่าเราเจ็บปวดขนาดไหนแล้วบางคนก็ฝังใจเล่าซ้ําเล่าซากอย่างนี้นะประทับใจมาก บางคนก็ไปโดนรถชนกระดูกแตกเจ็บปวดบางคนก็ไอที่ไปนึกได้เนี่ยพีก็ไปเห็นคนรถชนเขาเนี่ยนึกถึงเลยว่าตัวเองเคยเป็นอย่างนั้นทราบถึงถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนี่ก็คนที่ระลึกชาติก่อนได้ก็สามารถจะระลึกได้ถึงความรู้สึกนึกคิดเก่าๆที่เกิดในชาติปางก่อนอยถากรร ม, มูสัตที่เป็นไปตามกรรมว่า นี่กรณีที่ใครทํากรรมอะไรไว้แล้วไปสวรวิบากอย่างไรก็ระลึกถึงกรรมกรรมก็เป็นกระบวนการของจิตอีกะนะที่เป็นบุญหรือเป็นบาปแม้อนาคตังสยานก็คล้ายๆบุพเพนิวาสานุสติเป็นแต่เพียงว่าเป็นเรื่องของชีวิตในอนาคตแล้วก็อิทธิวิทยานการแสดงฤทธิ์การแสดงฤทธิ์ในลักษณะที่ฤทธิ์นี้บังเอิญมีเยอะ คนที่แสดงฤทธิ์เวลาเขาแสดงฤทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีเขาก็ดูความรู้สึกคนอื่นแสดงฤทธิ์เพื่อข่มคนคนนั้นกลุวหรือยังกคนนั้นเกิดกุศลจิตหรือยังแล้วก็ดูจิตตัวเองด้วยว่าเราแสดงฤทธิต์ต้องสํารวมจิตทําจิตยังไงอธิษฐานให้เป็นฤทธิ์ก็การการดูจิตตัวเองเนี่ยเกือบจะเป็นหลักตั้งอยู่เลยเพราะว่า คนที่จะสังรวมกิตเนี่ยแล้วก็การจะพยากรผลเลยแต่ไรเนี่ยพยากรได้จากความรู้สึกของตัวเองที่เขาเรียกว่าความรู้สึกมันบอกดูเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยความสร้างความรู้สึกอย่างนี้ใช้ได้หรื อ, อยังพอหรื อ, อยังพอเกิดความสำเร็จหรื อ, อยังถ้าพอแล้วความรู้สึกอย่างนี้พอจะยืนยันผลได้ไหมดูความรู้สึกแล้วมันสะท้อนไปถึงผลที่จะเกิดขึ้นอวันนี้เราจบเท่านี้นะครับ คราวหน้าจะต่อกันอีกนึกว่าจะต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเอาสารปัจจัยยี่สิบสี่ในกลาวหน้าแต่ถ้าบาังเอิญมีข้อติดขัดจริงๆก็จะแถมแม้แถมอยู่เรื่อยนะาขายสินค้าแล้วแถมก็ดีแถมบางอย่างก็ไม่ค่อยดี เดีือแถมไปแถมมาเต็มปีพอดีทีแรกนึกว่าอาทิตย์ปลายเดือนสองอาทิตย์เนี่ยจะไปหลบมุมเข้ากรรมฐานสกทีก็มานึกได้ว่ารับภาระเข้าไว้ล่วงหน้ามาเป็นเดือนนานแล้วก็เลยเลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปก็ไม่รู้จะทํำอะไรก็มาพูดธรรมะไปบางๆก่อนก็เลยคงจะพรางไปได้นานหน่อยนะเ อ, อวันนี้นะครับเราก็ถือว่าเป็นวันพิเศษล่ะ เนื่องจากว่าเป็นวันที่เขาสมมุติเรียกว่าการจนาพิเศษนับว่าบ้านเมืองของเราตั้งแต่สร้างชาติมามีประวัติศาสตร์มาไม่เคยมีพระราชาองค์ใดครองราชนางขนาดนี้ถ้าพูดถึงในอินเดียก็มีอยู่องค์เกินการจนาพิเศษไปสองปีเจ้าวิมพีสารแต่ไม่มีเจ้าหลงเหมือนอย่างในหลวงของเรานะฮะดังนั้นใครไอการจนาก็แปลว่าทอง ก็ตือสติมาจากฝรั่งแล้วก็มาใช้บาลีแทนเข้าไปเป็นอภิเศกเป็นอภิเศกถึงยุคทองยุคทองของการในพิเศษของปร拉จาเมื่อหลายปีนะั้นมีรัชดาพิเศษ ร, รัชตาบแล้วเงินน่าเป็นยุคเงินแล้วก็นี่ผมก็ยังไม่มีความรู้ว่าอีกถ้ามากถึงกี่ร้อยปีนี่จะจะเรียกว่าหลไรรัตนาพิเศษหรือมรัตนาพิเศกหรือวัชราพิเศษอะไรก็ได้นะให้เพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยก็ก็เป็นแต่เพียงสิ่งสมมุติ พูดแทนบุญบารมีของบุคคลที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเราก็คือว่าในอ่ยพระเจ้าพผดินองค์ใดที่ครองราตั้งแต่ทรงพระเยาว์เนี่ยเรียกว่ากุศลวิบากในส่วนที่จะทําให้เป็นพระราชาให้ผลเร็วเมื่อให้ผลเร็วเท่าไหร่ก็มันมีให้ผลเร็วแล้วก็อ้อยกเลิกการให้ผลเร็วด้วยอย่างนั้นก็ ก็เร็วก็เหมือนเร็วเดียวเดียวเร็วแต่เดียวเดียวแต่ว่าบางพระองค์เนี่ยมีบุญมากขึ้นครองราชเร็วแล้วก็การเสวยวิบากนั้นยืดเยื้อยาวนานอายุของกุศลวิบากยืดเยื้อยาวนานเหมือนอย่างปัชบดีของเราเนี่ยนะฮะก็เป็นปีการจนาพิเศษขนาดนี้ก็มีการฉลองกันด้วยประการต่างๆ อยู่ทุกมุมของประเทศไทยและต่างประเทศที่มีคนไทยอยู่เราก็มีความรู้สึกตรงกันอย่างหนึ่งว่ า, าพระราชาที่ได้วาดภาพไว้เหมือนเป็นกษัตริย์ในอุดมคติเราเคยอ่านเรื่องรักในอุดมคติของนักการเมืองทางตะวันตกเช่นอดิสโตเตนโซกตินอะไรพวกนี้นะฮะหรือของคงชื่อ บางอย่างก็ก็ยังไม่เจอสักทีแต่ว่าคำพีทางศาสนาเรามีพระราชาในอุดมกติเราเราเรียกภาษาที่นี้พระราชาอุดมกติคือผู้ทรงทศพิธราชธรรมผู้ทรงจักรวัตทีธรรมจึงมีธรรมหลักๆอยู่สามหมวดเนี่ยผมได้ไปอ่านทบทวนดูอีกทีหนึ่งก็อัศจรรย์ว่ามีพระราชาทำได้เป็นได้ตามอุดมกติ จริงจริงและในหลวงเหล่าเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงยกตัวอย่างเช่นว่าข้อที่พระราชาทั้งหลายจะทำได้ยากอันหนึ่งคือข้อที่เรียกว่าตบะตาบะเนี่ยหมายถึงการเผาผลาญกิเลสตัวเองคือใช้ดํารงตนอยู่ในใต้เฉวิษษัทซึ่งปกติเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะอยู่ในเฉวิษษัทแล้วก็ อัดกล่าวกิเลสอยู่ในในร่้วในวังเนี่ย น, นะเป็นไปได้ยากใช่ไหมแต่ว่าในหลวงเราทำได้ในทำได้อย่างข้อหนึ่งก็คือข้อสัตยารกสันโดษเนี่ยในหลวงท่านทำได้จริงๆแน่ใจได้ว่าไม่เป็นอื่นเด็ดขาดเราคงเข้าใจนะในข้อนันหรือในข้อที่เรียกว่าอาวิโรตนะ ซึ่งแปลว่าการถือธรรมเป็นหลักไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นผู้ที่ทำอะไรแล้วมีหลักการและวิธีการดีก็ชัดเจนมากในหลวงเรานะไม่ผิดทั้งหลักการที่มันสอดคล้องกับสำนึกของบัณดิตของสาธุชนเนี่ยเจอทังใครมาได้ยินในฟนแล้วก็ยอมรับว่าเป็นไปได้ท่านก็ประดิษฐ์คิดอะไรมา เป็นที่น่าเลื่อมสายมากนี่ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งทานก็เห็นแล้วก็จาคะจาคะถึงหมายถึงการสละการไม่ยึดถือการสละทาอะไรแล้วไม่ยึดถือในสิ่งที่ตัวทำที่ที่ผู้นั้นทานะมันเหนือเหนนะือคาทานนะคือทานนี่คือการให้แต่อะไรที่เป็นการกระทาให้ใครจะด้วยเรื่องอะไรแล้วเนี่ยทาแล้วก็ ปล่อยความถือติดอ้างเอาบุญคุณอ้างเอาอะไรต่างๆเรียกว่าเป็นบริจาคแปลว่าการสละลอบข้อนี้ก็ท่านก็ทาได้เป็นที่ประจกักก็ทุกๆข้อมองดูแลแม้แต่ข้อหนึ่งที่เรียกว่าให้การนารักขาโดยทรรมแก่ พระอรหันต์เป็นต้นคือคนดีเนี่ยซึ่งในหลักนี้นะพระพุทธเจ้าสอนแล้วก็การรักษาเนี่ยก็หมายถึงพระในรัฐ ท, ที่พระราชานับถือกด็ดีที่พระราชามิได้นับถือกด็ดีก็ให้การดูแลคุ้มครองด้วยความสุดจริตใจไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ทำให้เราคนไทยต่างศาสนาก็อยู่กันได้ คบกันได้สนิทใจผมรับรองได้ว่าถ้าบาังเอิญเกิดมีสงครามาศาสนาขึ้นมาสมมติว่าเกิดว่ามีาศาสนาอื่นขึ้นมามากกว่าเซนพุดเหลือห้าสเอเซนน้องนั่งก็จะเลี่ยงไปาศาสนาเกิดมีปัญหาสงครามาศาสนาและในหลวงยังอยู่เนี่ยนะท่านระงับได้แน่นอนเลยเป็นที่แน่นอนอันนี้เกิดจากสิ่งนี้ ให้การคุ้มครองรักษ า, านักบวชศาสนาทุกศาสนาพระเจ้าโศกทาอย่างนี้มาแล้วตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนจริงๆก็เป็นพระราชาที่สมควรกับการที่จะได้รับคำว่าพระจริงๆคือเราถือคติจากขอมจากขมิ้นอันหนึ่งก็สืบนเต้นวันจนเดียวว่าพระราชาเนี่ยเป็นเทพ ทีนี้พอมาของเราเกิดศาสนาพุทธเราก็เติมคำว่าพระไปมีพระพุทธเจ้าหลวงเมียเติมให้สูงเพื่อยกย่องนะแล้วก็ท่านคงจะจําได้ว่ามีบทพาหุงเขาเรียกว่าถาวายพรพระเรางงกันมานานได้ไหมว่าทําไมพระไปถาวายพรพระพระฉันของโยมทำไมไม่ถาวายโยมน่าจะเรียกว่าถาวายพรโยมฉันของโยมแต่ถาวายพรตัวเองที่แท่แล้วพระหมายถึงอะไร พระราชาเพราะว่าพาหุงเนี่ยสมเด็จพระวนรัตแก้ววัดป่ากแก้วเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นเป็นบทถวายพรแก่พระราชาองค์สำคัญในสมัยอายุทยาพระองค์หนึ่งชื่อพระนเรสวนจึงเรียกสันส้นๆคือถ้าพูดใ้เต็มคือบทถวายพรพระเจ้าแป็นดินในนี้ก็เรียกสันส้นๆว่าถวายพรพระ ก็ในหลวมเราเนี่ยเป็นละจริงๆเราก็มีความรู้สึกเวลาเราเห็นข่าวพระราชดแครนียกิจอะไรมีความรู้สึกว่าอยากจะยกมือไหว้ใช่ไหมฮะหลายคนในเห็นทีไร ย, ยกมือไหว้ทันทีสบายใจทันทีมีความรู้สึกว่เป็นพระทีนี้ในแง่ของเรื่องของอกุศลกรรมการที่เรามาได้ผู้นําไม่ว่าจะเป็นผู้นําระดับไหน ที่เป็นคนดีเนี่ยเป็นกุศลวิบากและอกุศลี้บากเป็นกุศลวิบากคนที่จะมาเกิดในเป็นดินแล้วก็ได้พระเจ้าเป็นดินดีๆเนี่ยภาษาธรรมะเขาเรียกว่าเป็นการรสมบัตินะถ้าเมื่อใดผู้นําของประเทศชาติไม่ดียุคนั้นเป็นการระวิบัติถือว่าเป็นการที่มีอุปสรรคในการที่จะทํากุศลขั้นสูงมายิ่งวิบัติเท่าไหร่ยิ่งขั้นสูงมา เอาเรานึกง่ายๆว่าถ้าสมมติเราเกิดในสกุลครอบครัวที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเราทําความดีก็ไม่ชอบเหมือนอย่างพวกเราที่วันนี้ก็อาจจะมาว่าจะไปใส่บาทยังต้องแบบใจแป้าๆตัวพ่อตัวแม่จะเห็นตัวสามีจะมาเห็นเนี่ยนั่งกรรมาฐานก็นมานั่งด่าเอามาเนี่ยเป็นมีตัวอย่างจริงๆแล้วมันนั่งไล่ฟางฟาด่าทั้งพระทั้งคน เจอหนังสือธรรมะไม่ได้เจอเทอพธ ร, รรมะไม่ได้ฟังให้ได้ยินไม่ได้ให้ได้เห็นไม่ได้บางคนเนี่ยมานน่าสงสารมากไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้ยงนะทีนี้เราถ้าเราเกิดในครอบครัวอย่างนี้แล้วก็มีผู้ใหญ่สูงขึ้นไปขึ้นไปดีเนี่ยมันอาจจะคลี่คลายได้นะฮะให้ผู้หลักผู้ใหญ่มาพูดมารับประกันได้ได้แต่ว่าถ้าพระเจ้าแผ่นดินไม่เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย คนชั่วจะได้โอกาสเพราะคนชั่วเขาคอยจ้องว่าถ้าคนไหนชั่วความชั่วเขาเขาสามารถทำแล้วมีผลได้คนดีก็แย่งเลยไอคนที่พอจะครึ่งดีครึ่งชั่วก็เลยหันไปทาความชั่วเลยเลยเป็นโอกาสที่ไม่ดีของคนดีเรียกว่าการละวิบัติเพราะฉะนั้นเราก็คงจะได้ทำบุญอะไรไว้ในลักษณะทางนี้หรือทำบุญเกี่ยวกองกับท่านไว ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภมน้อยภพใหญ่นะะก็มาได้อาศัยพึ่งใบบุญท่านจนชินไปแล้วเนี่ยทุก ว, วันเนี่ยชินไปแล้วนึกว่าเราเกิดมาสบายขอยงเราเองสุขสงบของเราเองเพราะว่าคนเราเนี่ยบางทีมันเกิดมาเป็นลูกคนรวย้ะจนชินเหมือนกันึกว่าพ่อไม่มีบุญคุณพ่อไม่ได้ทําอะไรรวยเองสบายเองหารู้ไหมว่านั่นแหะคือบารมีของพ่อ ไปสมัครงานก็เพราะบารามีพ่อเขาให้สมัครงานได้อะไรอย่างนี้นะยกตัวอย่างให้ฟังเพราะฉะนั้นเราอยู่สุขสงบอย่างนี้ไม่เราไปเห็นในเขาฆ่ากันตายต่างประเทศเนี่ยแล้วเราสมมติตัวเองว่าถ้าเดี๋ยวนี้เราไปอยู่อรัฐใดรัฐหนึ่งของรัสเซียเมื่อก่อนเราจะอยู่เป็นสุขไหมจะมีแก่ใจนั่งทํามากินอะไรไหมไปอยู่ในเขางเมาเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งชั่วขึ้นก็ยังไม่ดียังชั่วอยู่เราอยู่บ้านเรามีสิ่งเหล่านี้ เป็นกุศลวิบากเป็นบุญคุณเป็นบา ร, รมีของท่านที่เรามีส่วนที่เอี่ยวกับท่านอยู่บางคนคิดเอาว่าเป็นพระโพธิสัตว์หรือเปล่าแล้วผมเคยอ่านเรื่องหนึ่งก็เคยประลบที่นี่แต่เราไม่กล้าจะไปพูดอะไรกระตุกตากอ่านหนังสือที่เป็นจารึกเก่าที่คนได้สมัยเราเรายุนรุ่นกโสล น, นะอุตระเจ้าคุณอ่ำวัดทรงมนั์คนได้แล้วก็มีจารึก พยากรณ์ประหลัดอันหนึ่งว่าตอนนั้นมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่บวชเป็นพระแล้วก็ตอนหลังได้ฝึกมาครองคลองบ้านคลองเมืองผมจําไม่ผิดดูไม่ใช่ชื่อเดือนเด่นฟ้าและท่านโศท่านอุตละเนี่ยได้ทําพยากรณ์ให้จารึกไว้เป็นภาษาโบราณยังยังมีหลักฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์ว่าเดือนเด่นฟ้าเนี่ยอีกหน่อยจะได้เป็นพระราชาผู้ทํารงพระพุทธศาสนาใน ในประเทศนี้ในช่วงพศห้าร้อยเนี่ยนะมีชื่อเกินมาตรงเลขนี่นะผู้มีพลเลขราชาเลขนี้จะเป็นภาษาไทยอย่างชามวมณนเลขผู้รับใช้ผู้ช่วยเหลือผู้เอาเป็นภาระอย่างที่เราเรียกเลขวัดหรือเปล่าไม่รู้นะเขียนเหมือนกันเลขผู้มีผลเลขราชาเป็นจารึกที่บันทึกไว้ท่านเจ้าคุณทำรรมาทำมทัตตะ เต่าคุณทำอะไรนะมีลูกศิษย์ลหาท่านมานั่งอยู่ที่นี่เราเรียกเจ้าคุณอําท่านเป็นพระราชาคณะชันทมเป็นคนแปลได้เพราะว่าท่านว่าท่านเองก็มีประวัติว่ามาจากที่นั่นเหมือนกันแล้วก็พระพยากรว่าพอมาถึงยุคนั้นท่านจะเป็นคนแปลแล้วท่านก็อ่านทั้งท่านออกไม่รู้อะไรมาทาให้ท่านอ่าน